ปริพาชกชื่อสัญชัยครั้งนั้นอันว่าพระบรมศาสดาสา ม, มาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับอยู่ในพระเวลูวันกรุงราชฤท์วัดแห่งแรกในพระศาสนาซึ่งพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธถวายส่วนอันเป็นป่าภัยพระอ克拉สาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทูลให้ทรงทราบถึงการไม่มาสู่พระศาสดา แห่งสันชัยปริภาชกพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าอันวชนทั้งหลายเหล่าใดมีความรู้สิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระด้วยอันวชนทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีความดมริผิดเป็นอารมณ์ย่อมไม่บรรลุธรรมอันวชนเหล่าใดรู้แล้วซึ่งธรรมะอันเป็นสาระว่าเป็นสาระ อันธรรมะไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระด้วยชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีความดำริชอบเป็นอารมณ์ย่อมบรรลุธรรมดังนี้ดังจะกล่าวโดยพิสดารในกับอันเป็นที่สุดแห่งสีอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากับนับแต่พัทรรกัปนี้ย้อนไปพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อสุมเมธะ อาศัยอยู่ในเมืองอมราวดีศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งปวงครันบิดามาดาทรรมกาละคือตายได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบริจาคแทนแล้วออกบวชเปน็นฤาษีอยู่ในป่าหิมะพานบรลุชาญและอภิญญาสมบัติห้าคือมีหูทิพตาทิพรู้ว่าราจิตของสัตว์มีอิทธิฤทธิ์ประลึกชาิได เหาะไปในอากาศมองเห็นมหาชนทั้งหลายกระทำคนทางเดินรับการเสด็จดำเนินแห่งพระพุทธเจ้าพระนามทีปังกอรจากพระวิหารสุทสัศนะสู่นครอมราวดีครานั้นขนทางเดินไม่สาเร็จกระทำตนให้เป็นสะพานเพื่อพระบรมศาสดาและพระสาวกบริวารปูลาดแล้วด้วยแผ่นหนังเสือบนเปลือกตมทอดกายลงนอนแล้วเพื่อพระบรมศาสดา มีให้ทรงเหยียบซึ่งเปลือกตมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์แล้วว่าอันว่าสุเมธาดาบทผู้นี้เป็นหน่อเนื้อของพระพุทธเจ้าภายหน้าด้วยสี่อสงไขยิ่งด้วยแสนแห่งมหากับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมสืบต่อจากพระพุทธเจ้าทั้งหลาย23าพระองค์ผู้เสด็จอุบัติในโลกยังบารมีทั้งหลายสสิบให้เต็มคือทศบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบ และประมั m a บารมีสิบในอัตภาพแห่งพระเวสสันดรได้ถวายทานใหญ่ให้แผ่นดินวันไวล้าเจ็ดครั้งบังเกิดแล้วในสวรรค์ชั้นดุสิตอันเทวดาในจักรวาลหนึ่งหมืน่นไปกราบทูลให้ทรงจุดติทรงเคลื่อนแล้วจากดุสิตบุรีปฏิสนธิในคันราชตระกูลแห่งเจ้าสักกายะอันพระญาติทั้งหลายทรงบำเรอแล้วด้วยสมบัติใหญ่ ทรงเจริญแล้วตามลำดับในประสาทสามฤดูทรงเห็นซึ่งเทวทูตสีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะในวันเสด็จอุทยานเกิดพอพระไทยในบรรพชาว่าการออกบวชเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จทรงทราบแล้วซึ่งข่าวว่าพระกุมารประสูติแล้วซึ่งความรักในพระโอรสเป็นสภาพอันมีกำลังดาริแล้วว่า นี้เป็นเครื่องผูกแล้วอันเราจะตัดทรงเสด็จกลับเข้าสู่วังเวลาเย็นทรงสดับซึ่งคาถาของพระนางกีสาโคตมีพระธิดาของพระเจ้าอาตรัสว่าอันว่าพระสิทธัถะนี้เป็นลูกของมารดาบิดาใดผู้นั้นดับเย็นแล้วแน่อันว่าพระสิทธัะนี้เป็นสามีของนารีใด ผู้นั้นดับเย็นแล้วแน่ดังนี้ท่งฟังซึ่งบทว่าดับเย็นดังนี้ท่งเปลื้องเครื่องประดับแก้วมุกดาจากพระซอส่งให้เล้าเสด็จกลับเข้าวังบรทมไม่หลับส่งยัง น, นายชนะให้ลุกขึ้นผูกม้า ก, กันทะกะเสด็จไปแล้วด้วยม้าและ น, น, นายชนะเป็นสหายเทวดาทั้งหลายหมื่นจักรวาลแวดล้อมแล้วถึงยังแม่น้ำอโนมา ผนวดแล้วเสด็จสู่นครราชครึเพื่อบินธบาตพระราชาพิมพิสารออกมาต้อนรับและส่งเชื้อเชิญให้อยู่เป็นพระราชาแคว้นมคธ ด, ด้วยกันทรงปฏิเสธมีปฏิญยารับแล้วเพื่อประโยชน์แห่งการบรรลุธรรมส่งเสด็จไปเรียนวิชากับพระอาจารย์อาลาระดาบทด้วยพระอาจารย์อุทกกะดาบทด้วยสิ้นเวลาอยู่ปี ในวันดีถีมีพระจันทร์เสวยวิสาขเริกส่งเสวยข้าวมาทุปายาตของนางสุชาดาส่งอธิษฐานลอยถาดทองในแม่น้ำเนรัญชาราส่งรับยาคาแปดกรรมจากโสทิยพรามในเวลาเย็นเสด็จสู่ควงไม้โพส่งลาซึ่งยาประทับนั่งปฏิญาณว่าอันวจิตของเราจากไม่พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะความไม่ยึดมั่นเพียงใด จกไม่ทำลายซึ่งบรลังนี้เพียงนั้นดังนี้รันรุ่งอรุณเป็นสภาพกระจัดซึ่งความมืดทรงกำจัดแล้วซึ่งมานและผลของมานทรงบรรลุแล้วซึ่งปุเพนิวาสานุสติยานในปฐมยามจุตุปปาตยานในมชิมยามทรงยานที่ข้ามลงแล้วซึ่งปัจจาการสิสองในการที่สุด แห่งปัดชิมมยามทรงแทงตลอดแล้วซึ่งพระสัพพัญยุตยานทรงยังสัปดาทั้งหลายเจ็ดให้น้อมล่วงไปวิเศษที่โคงแห่งโพธิ์ที่โคนงแห่งต้นอชะปาละนิโครดคือต้นไทรในสัปดาห์ที่8ทรงถึงความขวนขวายน้อยด้วยพิจารณาความแห่งสภาพธรรมเป็นสภาพลึกซึง้งอันพรมชื่อว่าสหมบดี และเท้ามหาพรหมหนึ่งมื่นเป็นบริวารทูนวิงวอนส่งตรวจดูอยู่ซึ่งโลกว่าจะพึงแสดงซึ่งทำครั้งแรกแก่ใครนอแลดังนี้ส่งทราบแล้วซึ่งอาจารย์ดาบททั้งสองกระทํมกาละคือตายไปแล้วส่งราลึกถึงปัญจวคีผู้มีอุปการะมากจึงเสด็จสู่กรุงกาสีระหว่างทาง ทรงสนทนาด้วยกับอุปกะชีวคสเสด็จถึงป่าอิสิ ป, ปัตนะเมรุกัทยวันป่าเป็นที่ให้อภัยแห่งเนื้อในวันดิถีพระจันทร์เต็มดวงด้วยอาสาละหะเริกทรงยังให้พระอัญญาโกลทัญญะและพรมสิบแปดโกดได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาปฏิพลทรงยังจักคือธรรมะให้เป็นไปทั่วแล้วทรงยังให้ภิกษุทั้งหลาย คือปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าให้ตั้งอยู่ในพระอรหัตแล้วทรงเห็นแล้วซึ่งอุปนิสัยและความถึงพร้อมแห่งกุลบุตรชื่อว่ายัสสะให้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตในวันรุ่งขึ้นทรงยังชนผู้เป็นสหายอีกห้าิบคนของพระยาสะให้บรรลุพระอรหัตให้บวชแล้วด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทา พระอระหันต์ทั้งหลายเกิดแล้วในโลกห1สิบเอ็ดองทรงสรงภิกษุหกสิบองไปในทิศทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่ที่จาวริกแม้พระองค์เองก็จะไปอุรุเวลาเสนานิคมทรงแนะนำแล้วด้วยปุราณชดินด้วยพระธรรมเทศนาชื่ออาทิตตะปริยายสูตรบรรลุแล้วซึ่งอรหัสต หนองค์สงทรงแนะนำแล้วซึ่งพัทธวคิยกุมานทั้งหลายสามสิบคนในป่าไร่ฝ้ายระหว่างทางเสด็จด้วยให้เป็นพระโสดาบันมีหัวหน้ากุมานเป็นพระอนาคามีให้บวชแล้วด้วยเอหิพิขุนั่นเทียวทรงส่งไปแล้วในทิศต่างๆทรงเสด็จไปสู่อุทยานลทัทธิวันคือสวนตาลหนุ่มใกล้นครราชครึษ พร้อมด้วยภิกษุบริวารผู้อันพันแห่งพระอรหันต์สแสดงธรรมกราแก่พระราชาพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารสิบสองมืนกับด้วยชนอีก11นาหุตคือ1 1 0 0 0 0ให้บรรลุโสดาบันทรงรับพระอารามแห่งแรกชื่อว่าเวลูวันทรงประทับแล้วไม่นานต่อมาอันว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายได้เข้าไปเฝ้า แต่การก่อนอุบัติตรัสรู้แห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหมู่บ้านไม่ไกลาจากกรุงราชฤชื่อหมู่บ้านอุปติสขามและหมู่บ้านโกลิตขามอุปติสเป็นบุตรของนางสารีแห่งหมู่บ้านอุปติสขามโกลิตะเป็นบุตรของนางโมคคันลีแห่งหมู่บ้านโกลิตขาม ตระกูลทั้งสองผูกพันกันมาถึงเจ็ดชั่วตระกูลอุปติสะกับโคลิตะจึงเป็นสหายกันมีมานพบริวานคนละห้าร้อยวันหนึ่งขณะทั้งสองคนไปชมมหรศพตามปกติเช่นวันก่อนๆแต่ด้วยเพราะเหตุแห่งยานเป็นคุนชาติอันถึงแล้วซึ่งความแก่รอบ ตางนึกสลดสังเวชใจในอายุไขของคนว่าไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายควรสแสวงหาเครื่องหลุดพ้นควรจักบวชจึงเข้าไปบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกในกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเล่าเรียนแล้วถามแล้วว่าอันวา่าลัทธิอันเป็นเหตุรู้มีประมาณเท่านี้หรือไม่ยิ่งกว่ารู้แล้วว่ามีประมาณเท่านี้ มีสภาพไม่เป็นประโยชน์จึงออกไปสแสวงหาธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นสแสวงหาอยู่ในที่ต่างๆในนิคมชนบทและราชธานีไม่พบซึ่งอาจารย์ใดจึงตกลงทำกติกากันว่าใครบรรลุธรรมก่อนให้มาบอกกันจนกระทั่งพระบรมศาสดาเ ส, สด็จสู่กรุงราชครึกประทับอยู่ในเวลูวัน อันว่าพระอัสสชิเทระหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่พระองค์ทรงส่งออกไปประกาศธรรมเกื้อกูลชนทั้งหลายหมู่มากพระอัสสชิเดินบินธบาตอยู่ในกรุงราชครืในเช้าวันหนึ่งอุปติสะลายเห็นแล้วเกิดความศรัท ธ, ธาประสาทะมีจิตเลื่อมใสด้วยความสำรวมอินทรีย์ผิวพันวั น, นะห่องใสจึงตามไปขอฟังธรรม พระเถระแสดงธรรมเพียงแต่โดยย่อเป็นพระคาถาว่าอันว่าพระตถาคตเจ้าตรัสแจ้งซึ่งเหตุอันว่าธรรมะเหล่าใดเป็นสภาพมีเหตุเห็นแดนเกิดก่อนตรัสแล้วซึ่งเหตุแห่งความดับแห่งธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นอันว่าพระมหาสมณะเป็นผู้ตรัสอย่างนี้โดยปกติอุปติสสปริภาชก ฟังแล้วตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโซดาปฏิพลอุปติสะกลับมาแล้วบอกแจ้งซึ่งข้อความนั้นแก่โกริตะสหายรักรั้นโกริตะได้ฟังข้อความเพียงเท่านั้นก็บรุแล้วซึ่งโซดาบันเช่นเดียวกันกับอุปติสะนั่นแหละสองสหายปรึกษากันแล้วพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาบอกแล้วชักชวนแล้วซึ่งพระอาจารย์สันชัยปริภาชก เจ้าของสำนักศึกษาแห่งปริภาชกไม่ยอมไปกล่าวว่าอันว่าเราเป็นอาจารย์ของมหาชนเราจะไม่อาจเพื่ออันอยู่โดยความเป็นอันเตวาสิก ค, คือเป็นสิทธิ์ได้ดังนี้และกล่าวว่าอันว่าคนโง่ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มากหรือว่าคนฉลาดเป็นผู้มากอันคนฉลาดผู้น้อยกว่าจงไปสำนักพระสมณโคดม อันว่าคนโง่ทั้งหลายผู้มากกว่าจงมาสู่สำนักของเราสหายทั้งสองพาอาบริวาร250คนไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาขณะนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมท่ามกลางพุทธบริษัทสี่ตรัสเรียกแลแ้วตะไกลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสหายทั้งสองคนนี้คือโกลิตตะและอุปติสะ เป็นคู่แห่งสาวกของเราพระบรมศาสดาทรงประทานบนรรพชาอุปสมบทแก่สหายทั้งสองและบริวารด้วยเอหิภิกขุอันว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วอันว่าเธอทั้งหลายจงประพฤติซึ่งพรมจรรย์อันเพื่อกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบดังนี้ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้เจริญแล้วทรงขยายแล้วซึ่งพระธรรมเทศนาอันปริพาชกบริวารทั้ง250คนยกเว้นพระอัครสาวกทั้งสองบรรลุอรหัตผลทรงตรัสเหตุที่พระอัครสาวกทั้งสองยังไม่สำเร็จเพราะเหตุว่าอันว่ากิดด้วยมรรคในเบื้องบนของพระอัครสาวกทั้งสองยังไม่สำเร็จ เพราะความที่แห่งสาวกบารมียานเป็นคุณใหญ่พระโมคัลลานะเข้าไปอาศัยซึ่งบ้านชื่อกันละวาละในวันที่เจ็ดนับแต่วันบวชปฏิบัติธรรมอยู่เกิดความท้อแท้และความง่วงฟังอยู่ซึ่งกรรมฐานมีธาตุเป็นอารมณ์อันพระตถาคตเจ้าประธานบรรลุพระอรหันต์ส่วนพระสาวรีบุตร เข้าไปอาศัยในกรุงราชคฤห์ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำสุกราขาตากับพระบรมศาสดานับได้สิบห้าวันนับแต่วันบวชได้ฟังธรรมชื่อเวทนาปริกหสูตรอันพระบรมศาสดาทรงแสดงอยู่แก่ทีขนะนคขะอคีเวสณะโคตรปริภาชกผู้เป็นหลานส่งจิตไปแล้วซึ่งยานตามแนวทางแห่งพระสูตรบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์ โดยเหตุที่เพราะความที่เป็นผู้มีการตระเตรียมอันใหญ่ดุจพระราชาสเสด็จกำหนดเตรียมซึ่งพาหนะคือช้างทรงย่อมมีการอันนานกว่าชนธรรมดาจึงทำให้บรรลุธรรมช้ากว่าพระมหาโมคลานะพระบรมศาสดาทรงประชุมแห่งสาวกในพระเวลุวันประทานแล้วซึ่งตำแหน่งแห่งพระอัครส า, าวกแก่พระเทระทั้งสองทรงสวดแล้วซึ่งพระปาติโมก ทรงตรัสเล่าอดีตชาติของพระเทราสาวกต่างๆว่าบำเพ็ญบารมีมากเพื่อขอถึงซึ่งเป็นไปตามอธิษฐานอันตนปรารถนาแล้วดังนี้อันว่าพระอัญญากนทัญะเมื่อถวายซึ่งทานในข้าวกล้าอันเลิศมีได้ปรารถนาตำแหน่งอ克拉าสาวกแต่ปรารถนาเพื่ออันแทงตลอดซึ่งพระอรหัตก่อนกว่าชนทั้งปวง ในครั้งอดีตชาติหนึ่งเกิดเป็นกระดุมพีชื่อจุลการผู้น้องมีพี่ชายชื่อมหาการทำนาร่วมกันครั้นต้นข้าวออกรวมมีน้ำนมได้แบ่งนาคนละครึ่งกับพี่ชายเอาต้นข้าวในนาส่วนของตนฉีกเมล็ดข้าวมีน้ำนมปรุงเจือด้วยเหน่ยใสน้ำพึ่งน้ำตาลกรวดถวายแก่หมู่แห่งภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตั้งความปรารถนาเพื่ออันแทงตลอด ซึ่งธรรมะอันเลิศกว่าชนทั้งปวงดังนี้อันว่าพระยสากุลบุตรอดิตชาติหนึ่งกระทาแล้วซึ่งบุญเป็นอันมากในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งปรารถนาอยู่ซึ่งความเป็นอรหันตสาวกอีกชาติหนึ่งเกิดเป็นสหายกันช่วยจัดการสรีระศพไม่มีที่พึ่งในป่าช้าได้อสุภาสัญญา เห็นสรีระนั้นมีหนังอันไฟขจัดแล้วอันราวกับว่าแม่โคดางอันไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นสกรปรกได้เฉพาะแล้วซึ่งอสุภสัญญามาในชาติสุดท้ายนี้เพราะเหตุนั้นนั่นเทียวอสุภสัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่พระยสะในเรือนอันเต็มไปด้วยหญิงดุดป่าช้าได้เกิดขึ้นแล้วเพราะความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยนั้น อันว่าพัทธวัคียากุมาทั้งหลายสาสิบคนอดิตชาติหนึ่งเกิดเป็นนักเลงสาสิบคนได้ฟังซึ่งโอวาทของสุกระผู้เป็นบัณฑิตชื่อตุนดีละรักษาศีลห้าตลอดห0หมื่นปีปรารถนาตำแหน่งอัครส า, าวกได้ตามปรารถนาแล้วในชาตินี้อันว่าพระอูรุเวลกักษัสปะ เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติดสะและพระนามว่าพุทธะเกิดเป็นพระบิดาของพระเจ้าพุทธะทรงอุปถากบำรุงอยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์เดียวไม่ยอมให้ผู้ใดไ ด, ได้มีโอกาสถวายอุปถากบำรุงโอรสทั้งสามพระองค์ของพระราชาทูลขอโอกาสแก่พระบิดาก็ไม่ทรงยินยอมต่อมาโอรสทั้งสามได้ออกไปปราบรามาศึกมีชัยชนะ ได้รับพรจากพระบิดาจึงทูลขอพอรขออุปถาบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นเวลาเจดปีแต่ทรงประทานอนุ ญ, ญาตให้เพียงสามเดือนโอรสทั้งสได้แต่งตั้งในาเสมียนภาษีและขุนคลังและมีบริวารบุรุษสิบองหนหุตคือ 120,000 สองให้ทุกคนรับศีลสิบนุ่งห่มผ้ากาสายะ อยู่เฝ้ารับใช้ด้วยพระาศาสดาและหมู่ภิกษุบริวารตลอดสามเดือนอันว่านายสมียนภาศีลขุนคลังกระทําหน้าที่สุจริตจิตเป็นกุศลส่วนบริวาร 84,000 ได้ทําการยักยอกซึ่งค่าใช้จ่ายของสงฆ์ลักขโมยเคี้ยวกินซึ่งพัดและวัตถุของสงฆ์ไปบังเกิดแล้วในเปรตวิสัยส่วนโอรสทั้ง3บุรุษพันบริวารไปบังเกิดในเทวโลก ปรารถนาอยู่ซึ่งพระอาหารหันตสาวกได้มาเกิดแล้วเป็นปุราณชดินสามพี่น้องและบริวารหนึ่งพันในชาตินี้อันนายเสมียนภาษีมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารส่วนขุนคลังได้มาเกิดเป็นวิสาขาอุบาสกในการนี้อันว่าเปรตทั้งหลายได้ท่องเที่ยวอยู่ตลอดสี่พุทธันดร ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะทูลถามถึงการที่ตนจะได้รับซึ่งอาหารทรงตรัสว่าจะไม่ได้ในการนี้ให้ไปถามพระพุทธเจ้าโกนาคามณะที่จะมาอุบัติข้างหน้าครั้นถึงกับแห่งพระพุทธเจ้าพระนามโกนาคามณะก็ทรงตรัสให้ไปถามพระพุทธเจ้ากัสปะที่จะมาอุบัติข้างหน้า ครั้นถึงกับแห่งพระพุทธเจ้ากัสปะก็ทรงตรัสให้ไปถามพระพุทธเจ้าสมณะโคดมที่จะมาอุบัติข้างหน้าดังนี้ครั้นในพุทธกาลนี้พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแล้วแก่พระบรมศาสดาจึงจักได้รับอาหารในกาลนี้เบตรทั้งหลายเหล่านั้นเฝ้ารอส่วนบุญเหมือนหนึ่งว่าหนึ่งพุทธันดรเป็นราวกับว่าวันพรุ่งนี้ คืนวันหนึ่งพระราชาพิมพิสารได้ยินเสียงร้องน่ากลัวจึงเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าอันวิ ญ, ญาตของพระองค์ไปบังเกิดเป็นเปรตเพราะกรรมที่เคี้ยกินซึ่งค่าใช้จ่ายอันบุคคลถวายแก่หมู่ภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามปุษสะเมื่อครั้ง92กัปแต่พัทรรกัปนี้พระองค์ได้ถวายทานในวันวานไม่ได้อุทิศซึ่งส่วนบุญ ขอมหาบวพิษจงนิมนต์หมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายทานในวันรุ่งขึ้นแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญพระราชากระทำแล้วซึ่งการอุทิศส่วนบุญเปรตทั้งหลายได้รับข้าวน้ำอันเป็นทิพย์บังเกิดแล้วแต่เป็นผูเ้เลอยมาแสดงต่อพระองค์อีกพระบรมศาสดาขอให้มหาบพิษถวายผ้าจีวรแก่ภิกษุด้วย พระราชาทรงกระทำแล้วเปรตทั้งหลายได้รับพาอันเป็นทิศเกิดขึ้นแล้วดังนี้นั่นเทียวพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยติโรกุลดสูตรว่าติโรกุตเตสุติดทันติเปยานดังนี้เป็นต้นในการเป็นที่สุดรอบแห่งการอนุโมทนาชนทั้งหลายแปดหมพันบลุธรรมนั่นเทียว คำแปลบาลีจากติโรกุตสูตรฝูงเปรตมาสู่เรือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝากเรือนบ้างณทางสี่แพร่งและทางสามแพร่งบ้างใกล้บานประตูบ้างครั้นเมื่อข้าวและน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมากตั้งไว้แล้วญาติไร่ไร่ของเปรตเหล่านั้นระลึกไม่ได้เราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัย ชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำควรดื่มและโภชนะอันสะดวกปรานีดเป็นของควรอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่าทานนี้จงถึงแกญ่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดและพวกญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้นพร้อมกันมาประชุมในสถานที่ให้ทานนั้นอนุโมทนาโดยเคารพในข้าวและน้ำเป็นอันมากว่า เราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทําแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทํากิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักสินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว การร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรราพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นก็ทักศินานี้แลอันท่านให้แล้วประดิษฐานไว้ดีแล้วในสอง ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วและบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้แหล สำหรับบทติโรกุฏดสูตรนี้พระสงฆ์ใช้สวดให้พรยถาสัพพีงานพิธีศพหรืออุทิศให้ผู้ลงหลับอันว่าพระอรหรสาวกทั้งสองทำซึ่งกรรมอะไรจึงได้มาเป็นพระอรหรสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงตรัสแสนแห่งกับแห่งพัทธรกับนี้ อันว่าพระสารีบุตรเกิดในตระกูลพราหมหาศาลชื่อสรธรรมานกพระโมคคัลลาเกิดในตระกูลแห่งครหาบดีอันมหาศาลคือร่ํารวยชื่อสิริวัฒคุดุมพีทั้งสองเป็นเพื่อนกันสรถรารมานพครั้นบิดามารดาตายไปชวนสิริวัฒหะผู้เป็นสหายให้บวช ด, ด้วยกันแต่สิริวัฒหะไม่บวช สรัรทะมานบเอาทรัพย์สมบัติแจกซึ่งทานใหญ่บวชละเป็นฤาษีสู่เชิงเขามีบริวารฉดินจ็ดินสพันคนอย่างอภิญญาทั้งห้าคือฤทธิ์ต่างๆแต่ยังไม่ดับกิเลสและสมาบัติ8คือรูปประชานสีและอรูปปัจจันสีให้บังเกิดแล้วด้วยกระสินพร้อมะดินบริวารทั้งหลายด้วยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกส่งพระนามว่าอนุมัตสี ในจันทวดีนครพระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามวายศวันพระมารดาพระนามว่ายโสธราเทวีมีต้นรกฟ้าคือต้นกลุ่มเป็นต้นไม้ตรัสรูอายุกับหนึ่งแสนปีพระสรีระสูงห8สดศอกพระสรีระแผ่ไปไกลายบสองโยธมีพระภิกษุหนึ่งแสนเป็นบริวาร วันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกสมาบัติทรงตรวจดูโลกด้วยขายพระยานส่งเห็นสรธาดาบทส่งใครไปโปรดแสดงธรรมสรธาดาบทจะได้ตำแหน่งอัครส า, าวกพร้อมด้วยกับสิริวัฒกุดุมพีและชดินบริวารทั้งเจ็ดมืนสี่พันคนจะบรรลุพระอารหัสต์พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ อันสระาดาบทปูลาดแล้วถวายแล้วซึ่งผลไม้น้อยใหญ่อันโอชาสั่งให้บริวารชดินทั้งหลายกระทาสการะใหญ่ด้วยฤทธิ์แห่งฉดินทั้งหลายเนรมิตอาสนะเป็นวิการแห่งดอกไม้มีหนึ่งยชดโดยประมาณเพื่อพระพุทธเจ้าและอัครส า, าวกทั้งสองประมาณสมคาวุฒคือ12กิโลเมตรสระาดาบท ยืนถือฉัดอันวิการด้วยดอกไม้ยืนกั้นอยู่บนพระเสียรของพระตถาคตเจ้าเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจดวันชดินบริวารฟังธรรมบรรลุอรหัตทั้งเจ็ด0ืสี่พันองค์เป็นสาธาดาบทไม่บรรลุซึ่งพระอรหัตปรารถนาขอตำแหน่งพระอกราสาวกพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเห็นแล้วทรงพยากรณ์แล้ว อันว่าความปรารถนานี้จะสำเร็จเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าพระนามวโคดมจากเสด็จอุบัติในโลกก้าวลวงซึ่งหนึ่งอสงไขยิ่งด้วยแสนแห่งกลับพยากรแล้วทรงเสด็จกลับสรทดาบทส่งข่าวไปบอกสิริวัฒหสหายรักว่าขอจงตั้งปรารถนาตำแหน่งอ克拉สาวกที่สองสิริวัฒหกระทำตามคาแนะนาแล้วตั้งความปรารถนาแล้วตลอดเจ็ดวัน โดยทานองเดียวกันนั่นเทียวรั้นเมื่อพระบรมศาสดาตรัสอดีตชาติของพระอัครส า, าวกทั้งสองแล้วทรงตรัสถึงการไม่มาของสันชัยปริพาชกเพราะเหตุถือเอาแล้วซึ่งความไม่เป็นสาระด้วยพระคาถาว่าอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้รู้ในธรรมะอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเป็นผู้มีความบําริผิดเป็นอารมณ์ ย่อมไม่บรรลุซึ่งธรรมะอันเป็นสาระอันชนทั้งหลายเหล่าใดรู้แล้วซึ่งธรรมะอันเป็นสาระว่าเป็นสาระรู้แล้วซึ่งธรรมะอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระด้วยอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีความดำริชอบเป็นอารมณ์ย่อมบรรลุซึ่งธรรมอันเป็นสาระดังนี้ ข้อธรรมวิจัยขอสรุปข้อธรรมดังนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสสรุปความว่าสัญชัยปริพาชกเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระคือมีมาณะถือตัวถือตนว่าเป็นอาจารย์ใหญ่มีสิทธิ์มากยอมเป็นสิทธิ์ของใครไม่ได้อีกแล้วว่าเป็นสาระว่ามีลาภสกระชื่อเสียงและบริวารและเห็นว่า สิ่งที่เป็นสาระคือการที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้แต่มีกรรมมาปิดบังว่าไม่เป็นสาระมองไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าถ้าว่าถึงเรื่องของกรรมปริภาชคผู้นี้ไม่เคยได้สัดับพระสัตวธรรมมาแล้วในแสนกับและไม่เคยทำกุศลกรรมบุเพกะตะปุญญาตามาก่อนแม้จะไม่เคยได้ทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนก็จริง แต่ถ้ามีข้อตั้งตนไว้ชอบมีอัตตะสัมมาปณิธิเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาชอบมีสัมมาสังกปัปปะมีความดำริชอบเป็นอารมณ์คือมีดำริออกจากกามจากพยาบาทเป็นต้นแยกแยะว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระคิดดีคิดเป็นคิดให้เป็นปัญญากล่าวคือมีโยนิโสมนัสิการ ลดมานะความถือตัวตนลงแล้วคิดถูกคิดชอบไม่เห็นผิดมิชาทิฏฐิก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก็นั่นหละถ้าไม่เคยได้สั่งสมมาแต่อดีตปัจจุบันก็จะต่อกันไม่ติดเพราะว่าความคิดฝ่ายกุศลหนั ก, หนกใหญ่ๆที่จะมาอุดหนุนเกื้อกูลเบียดอากุศลกรรมเก่าให้ตกไปไม่มีก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของผู้นั้ น, น, น กามุตาวตติโลโกสัต์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตย์ให้เลวและปราณีที่นี้ทำอย่างไรจึงจะมีสมมาทิฏฐิเนี่หละที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเป็นองค์แรกในอริยมรรคมีองค์แปดถ้าไม่มีข้อแรกนี้ก่อนสมามร์ข้ออื่นอีกเจ็ดข้อจะมีไม่ได้เลย สัมมาทิฏฐิคืออย่างไรสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาอันปัญญาเบื้องต้นนั้นเริ่มต้นที่ความเชื่อคือศรัทธาสี่อย่างกล่าวคือเชื่อกรรมเชื่อว่าก ร, ร ม, มีผลจริงเชื่อว่าสัตว์โลกทุกตัวตนมีกรรมเป็นของเฉพาะของตนและต้องเชื่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือตถาคตโพธิสัต tha ขยายความออกเป็นความเชื่อสิบประการเรียกว่าทะัศะวัตุกรรมสกตาศรัทธากล่าวคือเชื่อว่าบุญทานการกุศลมีผลจริงการบูชาคนที่ควรบูชาเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีผลจริงการบวงสวงปฏิสันฐานต้อนรับเชื้อเชิญเป็นมงคลกิริยาคืออ่อนน้อมมีผลจริงผลของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง โลกนี้ชาตินี้โลกหน้าชาติหน้ามีจริงทำดีชั่วต่อมาดาบิดามีผลจริงสัตว์ที่เกิดปรากฏกายโตทันทีเป็นอบปฏิกะเช่นเทวดาเปรตมีจริงและมรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนามีอยู่จริงดังนี้ถ้าไม่เชื่อตามพระพุทธเจ้าดังกล่าวข้างต้นหรือไปเชื่อถือยอมรับนับถือนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ นั่นคือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากความเป็นความมีอยู่จริงเช่นเชื่อถือโชคลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนอกศาสนาเป็นต้นทำอย่างไรจึงจะเป็นสมมทิทิพึงเริ่มทำปัญญาให้เกิดด้วยหนึ่งฟังศึกษาให้เกิดสุตตมยปัญญา 2. คิดพิจารณาใกล้ครวนเหตุผลด้วยจินตามยะปัญญาและ 3. ภาวนามยะปัญญาด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานทำปัญญาให้เกิดรู้แจ้งถึงทางแห่งความพ้นทุกข์จึงมีข้อคำนึงต่อไปว่าเราจะทำตัวของเราอย่างไรจึงจะให้ปัญญาเกิดเข้าหาการฟังธรรม ให้เป็นสุตตมยปัญญาคือปัญญาตัวแรกพระพุทธองค์ทรงตรัสธรรมะเป็นเครื่องเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าดุด จ, จักคือจักธรรมสี่ประการได้แก่ปุเพกะตะปุญญาตาอตตะสัมมาปนิธิปฏิรูปรเทศะและกัลยาณมิตรตาโสดาปติยังคะสี่ประการ คือองค์ธรรมให้ถึงกระแสนิพพานพ้นจากทุกข์ได้แก่คบสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษปฏิบัติตามคำของสัตบุรุษโยนิโสมนสิการสัตบุรุษในที่นี้หมายเอาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พึงศึกษาข้อธรรมในมงคล38ปประการด้วยท่านจะมีแต่ความเจริญเป็นมงคลแต่ฝ่ายเดียว สรุปว่าสัญชัยปริภาชคแม้จะเกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแต่ไม่มีโอกาสได้พบเห็นและฟังพระธรรมเพราะเป็นผู้ไม่ได้สดับมาแล้วในแสนกับเป็นเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั่นเองท่านจะตั้งตนไว้ชอบอย่างไรพึงเริ่มเสแต่ชาตินี้วันนี้และเดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ข้อสังเกตในติโรกุตสูตร แสดงไว้ว่าเมื่อทําบุญให้ทานแล้วพึงอุทิศให้ญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่าทานนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดนี่คือที่มาของการกรวดน้ําอุทิศบุญเพียงระลึกในใจเป็นภาษาไทยก็สําเร็จแล้วดังพุทธพจน์ ท, ที่ว่าทุกสิ่งสําเร็จด้วยใจและขอให้ระลึกถึงบ่อยๆเนืองๆบุญย่อมเกิดทุกครั้งที่ระลึก ท่านเพิ่งเริ่มถากถางทางเดินเอาควากน้ำเถาวัลป์ปกคลุมผนทางออกด้วยการอุทิศบุญใช้นี่กร่มเก่าเสียถ้าเจ้ากรรมในเวณเขาได้รับบุญได้รับการใช้นี่ถ้าเขาอนุญาตอะไรๆก็จะดีขึ้นนั่งภาวนาสามนาทีก็เห็นธรรม